เป็นยังไงผ่านไปแล้วคืนหนึ่งเน้นั่งตรงหรือเนยาวหมดทั้งคืนอะ ยาหมดทั้งคืนนะเนยาวก็ไม่เป็นไรพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธแล้วก็ดูกายพุโทโธแล้วก็ดูกายพุโทโธแล้วก็ดูกายผิดไหมพุโทโธแล้วก็ดูกายผิดไหมถูกทั้งโรคถูกทั้งนามเลย พุโทโธพุโทโธมันเป็นการดำบริที่จิตดูไปที่กายนันานากายเป็นส่วนรูปพุโทโธพุโทโธจิตดํารินั้นเป็นส่วนนามได้ทั้งรูปได้ทั้งนามทํางานพร้อมกันทั้งรูปพร้อมกันทั้งนามผิดไหมการตั้งใจภาวนานี้เราไม่ออกจากกายเราไม่ออกจากจิตถูก แต่เราออกจากกายของเราเมื่อไรออกจากจิตของเราเมื่อไรผิดพาเคารของเล้าผงละกายในกายนอกจิตในจิตนอกนะเราก็ใช้ได้กายในกายนอกในขณะที่เราพิจรารณากายนอกเราก็เอาจิตของเราพิจรารณา เป็นกายในเป็นกายนอกหรือกายในกายเงี้ยกายส่วนส่วนหนึ่งของกายอีกกายส่วนใดส่วนหนึ่งในกายส่วนใหญ่กายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่เขาเรียกกายในกายกายในกายพิจารณากายในกายพิจารณากายในกายก็เอาจิตนี่แหละพิจารณา จิตดวงเดียวจิตสิ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราถ้าเราไม่มีจิตดวงนี้ถ้าไม่มีผู้รู้ไม่มีธาตรู้ดวงนี้เราก็เท่ากับก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วใครจะมารู้อะไรให้กับเราใครจะมาสุขมาทุกข์ให้กับเราด้วยเหตุที่มีเรามีวิญญาณครองเราจึงมีความทุกข์มาเกี่ยวข้องกับเรา อย่างนั้นเราสู้หินไม่ได้อย่างนั้นเลยเราดีกว่าหินเลิศกว่าหินประเสริฐกว่าหินหินไม่มีวิญญาณครองอแต่ถ้าเราทําจิตของเรากายของเราที่มีวิญญาณครองเนี่ยให้นิ่งเหมือนแผ่นดินให้นิ่งเหมือนกับแผ่นหินนี้เราก็ถึงความสุขถึงความสุขแท้ เป็นธรรมชาติทั้งดุนเป็นธรรมชาติทั้งแท่ง <c oughs> ทำไงจะได้ถ้าเราไม่ตั้งใจภาวนาทำไม่ได้จิตดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราสุขก็เพราะจิตทุกข์ก็เพราะจิตดีใจเสียใจทุกอย่างลาบากขนาดไหนก็ตามจิตดวงเดียวทาให้เรา ตามรู้ตามทราบตามเข้าใจโง่ก็จิตดวงเดียวฉลาดก็จิตดวงเดียวเราอยู่กับจิตดวงเดียวการตั้งใจภาวนาเจาะมาที่จิตดวงเดียวแล้วเลยพุโทโธพุธโทโธดูมาที่กายพุโทโธพุธโทโธดูไปที่เวทนาพุโทโธพุธโทโธดูไปที่จิตก็เอาจิตดูจิตเนะี่ยเราลองดูดดูได้ไหม พุทโธแล้วก็จ่อมาที่กายพุทโธพุทโธจ่อมาที่กายพุทโธเราจ่อไปจับที่ลมเรายังพุทโธได้พุทโธจ่อไปที่ลมเรายังจ่อได้ลมเข้าพุทลมออกโทเนเรายังจ่อได้พุทโธเรามาดูปฏิกายดูไปเกิดความรู้สึกตรงไหนอะไรยังไงแล้องดูสิขอให้มันอยู่ในนั้นให้มันอกอยู่ในนั้นให้มันลมอยู่ในนั้น ให้มันแผดเผาเป็นตะปะตะปะทธรรมแผดเผาอยู่ที่นั่นแผดเผาเข้าปฏิกายก็เท่ากับแผดเผาไปที่ใจแผดเผาไปที่เวทนาก็เท่ากับแผดเผาไปที่ใจแผดเผาไปที่ใจก็เท่ากับใจรู้ใจแผดเผาไปที่ใจถ้าเราแผดเผาไปอย่างที่อย่างนั้นเนี่ย มันจะเจอศัตรูตัวศัตรูก็คือตัวความอยากความอยากมันมาลูกคลำกายมันมาพันกับกายมันพาดพิงมาที่กายความอยากพาดพิงมาที่เวทนาพาดพิงมาที่จิตแล้วก็พาดพิงมาที่ธรรมธรรมนี่ก็คือส่วนทั้งหมดของร่างกายของเราเป็นส่วนของธรรมธรรมอีกอันหนึ่งก็คือส่วนผลที่เราตั้งใจปฏิบัติได้ ทั้งธรรมที่เป็นไปตามหลักธรรมชาติทั้งธรรมที่เราปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขได้แล้วซึ่งเป็นผลของธรรมเราก็ต้องย้อนดูพิจารณาแล้วปล่อยย้อนดูพิจารณาแล้วก็ปล่อย ย, ออ ย, ยึดไม่ได้ยึดได้อย่างเดียวยึดได้แต่มักอย่างเดียวเราพิจรารณามาตรงนี้พิจารณามาอย่างนี้ไม่ผิดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต กายในกายเวทนาในเวทนาเวทนาส่วนย่อยของเวทนาส่วนใหญ่หญแต่การพิจารณาจิตนั้นเราจะต้องพิจารณาอารมณ์ของจิตพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาอารมณ์ของจิตที่ท่าเรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอา ร, รมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดกับจิตเรรมาตรงนี้เราไม่ผิดหลักหลักตรงนี้เป็นหลักมหาสติปัฏฐานมีสติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐาน เป็นเครื่องมือสนหรับทำงานสำหรับพิจารณาเพื่อมาต่อกรกับเจ้าตันหายอยู่หมัดตันหายอยู่หมัดเราทำอย่างอื่นถ้าเราทิ้งหลักตรงนี้เราอาจจะสร้างเสริมให้เขามีความเจริญมีกำลังก็ได้โดยโด้วยเหตุที่เราไม่รู้สึกตัวว่าคืออะไรเป็นอะไร เสริมสมุทัยนั่งเสริมสมุทัยขึ้นมาเสริมเข้ามาเสริมเขึ้นมาคือเสริมเหตุให้เกิดทันหานั่นแหละเรียกว่านั่งเสริมสมุทัยเพราะฉะนั้นช่วิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติท่านจึงให้ดูทุกย้อนมาดูที่สมุทัยกําหนดทุกย้อนมาดูสมุทัยหลวงตาท่านสอนให้กําหนดทุกย้อนมาดูที่สมุทัยสมุทัยดูที่ไหนดูที่จิต สมุทัยอยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นคืออะไรก็ตัณหานั่นแหละความอยากของใจนะดูไปให้เห็นความอยากเมื่อวานก็อธิบายไปแล้วยากเกี่ยวกับธรรมไข้รู้อยากเกี่ยวกับกิเลสเราก็รู้อยากเกี่ยวกับบุญให้เรารู้อยากเกี่ยวกับบาปาให้เรารู้ดูมาที่ใจ การพิจารณาใจคือพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจดีใจละเอียดนะดีใจนะลองย้อนไปพิจารณาดูย้อนได้เสียใจลองย้อนไปพิจารณาลองดูดีใจกับยินดีมันก็นเดียวกันยินดคีคือใจยินดีคือใจดีใจยินดีเราดูความยินดีกำหนดดูความยินดีเรา ดูมาที่กายเราแล้วกำหนดดูความยินดีก็เอาจิตนี่แหละดูมาที่กายแล้วก็กำหนดดูความยินดีที่จิตจิตยินดีหรือว่าจิตเฉยๆดูมาที่จิตดูมาที่กายแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตดูความยินดีแล้วก็ดูความยินร้ายเป็นอารมณ์ที่ใจเราดูอารมณ์ที่ใจ และกำหนดจดจ่อดูใจดูอารมณ์ของความกินร้ายแล้วก็ดูมาที่ใจดูได้ไหมดูได้นะอารมณ์ทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เขาเรียกว่าสติปัฏฐานส่เราจะพิจารณาอารมณ์ใดเท่าเทียมกันหมดเหมือนกันหมดเพราะผู้ทำงานคือใจดวงเดียวใจดวงเดียวเป็นผู้ทำงานจะพิจารณากายก็เอาใจพิจารณา จะพิจารณาเวทนาก็คือเอาใจพิจารณาจะพิจารณาจิตก็คือเอาจิตกันหมดจดจ่อดูไปที่จิตจะพิจารณาธรรมก็เอาจิตทํางานทะลุถึงกันหมดทะลุถึงกันหมดแต่ตันหาที่มันฝังรากอยู่ในหัวใจของเราเนะี่ยมันยึดระบบระบบของกายของจิตเราเนี่ยเป็นเครื่องมือของมันทั้งหมด ระบบระบบระบบของกายก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่านี่คือระบบของกายเราดูมาที่ตาเรามีตาไหมตาเป็นอวัยวะภายในตาเป็นอวัยวะภายในเป็นสื่ อ, อกับพลกตานี่ยสลับสื่อ จิตมันออกไปสื่อสื่อรูปแล้วก็เก็บผลรายได้เข้าสู่เข้าสู่จิตหูอวัยวะภายในนะสื่อเข้ามานั่นคือเสียงใจมันออกไปตามหูนะสื่อไปที่เสียงเป็นสื่อไปที่เสียงเก็บผลรายได้เข้าสู่ ใ, ใจจมูกลิ้นกายใจก็ เ, เหมือนกัน มันออกมันออกไปข้างนอกใจมันออกไปหากินเพราะฉะนั้นช่องที่ใจออกไปหากินท่านจึงเรียกว่าทวาวทวาวทวาวทวาวรประตูประตูก็คือถาวทวาทวรก็คือประตูมันออกไปตาหูจมูกริ้นกายใจถ้ายินดีก็ตาหูจมูกริ้นกายใจเป็นที่ยินดีตัณหาเกิด ถายินร้ายก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่เกิดตัณหาตัณหาเกิดยินดีก็ตัณหาเกิดยินร้ายก็ตัณหาเกิดเห็นสักแต่ว่าตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสเห็นลักษณะอย่างนี้ท่านว่าเอาสติดูสักแต่ว่าเห็นตัณหาแสดงตัวปรากฏไม่ได้ตัณหาโผล่ไม่ได้ คนอบายแบบนี้เป็นคนอบายทํางานเพื่อชะลอเพื่อหยุดเพื่อสงบเพื่อระงับดับตันหาในหัวใจของเราตันหามันโผล่มาที่กายตันหาโผล่มาที่ใจเครื่องมือของใจก็คืออะไรก็คื อ, คอเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของใจเวทนา หมายถึงเวทนาขันสัญญาก็คือสัญญาขันอาการของใจสังขารก็คือสิ่งปรุงสิ่งนึกสิ่งปรุงของใจท่านเรียกว่าสังขารใจต้องปรุงอยู่ทุกระยับทุกเวลาปรุงดีปรุงชั่วปรุงบุญปรุงบาปปรุงกลางกลางท่านเรียกว่าบุญอาท่านเรียกว่าปรุงเป็นกองสังขาร มันปรุงกองสังขารปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนญชาพิสังขารการเข้าฌานสมาบัติท่านก็ยังเรียกสังขารเพราะยังมีตัวยึดอยู่ในนั้นเวลามันขยับตัวออกมามันก็เป็นเรื่องของตัณหาตัณหากยึดนี่คือกองสังขารวิญญาณวิญญาณก็เครื่องต่อวิญญาณความรู้แจ้ง ต่า ต, าตาตาไปเห็นรูปเกิดจากขุวิญญาณอันนี้ชื่อทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราจะเรียกมันมันมั น, มนยืดเยื้อมันยืดยาวเราดูไปที่อาการของจริงของมันนักปฏิบัติเราเราเราดูไปที่อาการของจริงนี่เครื่องมือของของจิตกายก็เป็นเครื่องมือของจิตที่ท่เรียกว่าอยายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสพลัตพระธรรมารมณ์มันก็เป็นเครื่องมือของจิต เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นเครื่องมือของจิตจิตจึงมีบทบาทแต่มันมีตัวเจ้าตัวจอมเป็นจอมบงการอยู่ในนั้นคือเจ้าตันหาแล้วดูเถอะดูให้รู้จักตันหายืนเดินนั่งนอนทําอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามพยายามจาะเข้าไปดูเจ้าเพราะเจ้านี้แหละมันเป็นเจ้าไปก่อกวนพิ จ, พจารณามันไปเกาะ ไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ดึงทุกข์เข้ามามันไปเกาะมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็ดึงทุกข์เข้ามานี่ธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่อยู่ในตัวเราในกายเราเราเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เรื่องของธรรมะเหล่านี้เรารู้เริ่มรู้จักตัวเราเรารู้จักที่เกิดของตัณหารู้จักที่ตั้งอยู่ของตัณหารู้จักที่ดับของตัณหาจนสามารถระงับดับตัณหาได้ตัณหาเกิดที่ใจ เรากําหนดรูปย้อนไปดูสมุดไทยที่จิตเราเห็นอะไรก็ตามย้อนมาดูสมุดไทยที่จิตเจอสิ่งดีสี่งามขนาดไหนก็ตามย้อนมาดูสมุดไทยที่จิตย้อนมาดูเจ้าความอยากเนี่ยระมัดระวังรักษาตัวนี้ไม่ให้มันลุกลามไม่ให้มันหลวมตัวไม่ให้มันโดดดิ่นไม่ให้มันแสดงออกไม่ให้มันมีบทบาทพยายามจํากัดมันเอาไว้พยายามตีกรอบมันเอาไว้ และพยายามไปเชิญหน้ากับมันเรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆเชิญหน้าด้วยตปะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมรวมกันเป็นปัญญาศินสมาธิปัญญารวมเป็นตะปะธรรมแพทย์เผาเข้าไปที่ใจเผาบ้านเผาช่องของเจ้าของจอมเจ้าจอมของวัตตะวัตจักรวัตตะสงสารคือเจ้าตันหาตัวนั่นเอง พยายามดูเข้าไปนี่คือการตั้งใจภาวนาของเราการตั้งใจภาวนาดูมาที่สิ่งนี้ไม่ผิดพุดโทโธดูมาที่กายพุโทโธดูมาที่เวทนาพุโทโธดูมาที่จิตทุกครั้งต้องมีสติเป็นผู้นํามีสติเป็นแนวนําคุณสมบัติของสติเป็นคุณสมบัติของจิต ช่วงใดขณะใดเวลาใดที่จิตของเราตื่นโรอยู่นั่นแหละคือจิตของเรามีสติสมมติว่าจิตของเรานะ่มีความสว่างร้อยแรงเทียนรเต็มร้อยแรงเทียน ส, สติโรอยู่เฉพาะหน้าในปัจจุบันนั่ น, น, นตัวนั้นคือสติมันมีความโพร่งตัวมันมีความเป็นชาคระในตัวมันมีความตื่นรู้ในตัว พระอริยเจ้าที่ท่านฝึกฝนอบรมได้เราถือว่าท่านเป็นผู้มีสติสมบูรณ์สติวิปุละสติวิปุละคือสติสมบูรณ์พระอริยเจ้ามีสติสมบูรณ์มีโดยอัตโนมัติไม่ต้องมาฝึกเหมือนเราเพราะท่านฝึกได้แล้วมีสติสมบูรณ์ท่านอาจจะลองนั้นลืมนี้ลืมสัญญาอารมณ์ แต่สติตื่นตัวโโรอยู่โดยหลักธรรมชาติของท่านน่ะจะตื่นตัวโโรอยู่อย่างนั้นแหละการหลับการนอนท่านถือว่าเป็นเรื่องของธาตุขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของธาตุขันถึงกระนั้นก็ตามสติกำกับจิตจิตตื่นโโรอยู่อย่างนั้นแหละทั้งหลับทั้งตื่นทั้งก็ตื่นโรอยู่อย่างนั้นการที่เราระลึก ตื่นมารู้นั้นรู้นี้ about. มันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของขันของสัญญาอารมณ์เรื่องของขันเรื่องของสัญญาอารมณ์เรารู้ที่เกิดของตัณหาเรารู้ที่ตั้งอยู่ของตัณหาเรารู้ที่ดับของตัณหามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงตัณหาตัณหาคือความอยากมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมากับอะไร มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับเรามีาธาตุรู้จิตของเราเป็นาธาตุรู้เกิดมาตั้งแต่กับการปูเรชาตไหนเราก็ทราบไม่ได้แต่ว่าเรามีาธาตุรู้มีเจ้าตัณหานี่โผล่มาด้วยเคลือบแฝงมาด้วยมาด้วยกันว่างั้นเถอะกลายเป็นาธาตุดิบาธาตุดิบอันนี้เมื่อเรามาสํานึกระลึกรู้สึกตัวได้ มีพระศาสนามีจอมศาสดาสอนให้เราชะสิ่งเหล่านี้ออกเพื่อความเพื่อความสุขนิรันดรเพื่อความสุขตลอดอนันตการท่านจะให้มาพิจารณาสิ่งเหล่านี้พิจรารณาท่ารู้แยกสิ่งที่ไม่รู้ออกจากท่ารู้ให้เหลือแต่ท่ารู้โร่ท่าเดียวท่ารู้โร่ท่าเดียวคือจิตจิตที่บริสุทธ มันหากบริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมด้วยการฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลว์ถ้าไม่ฝึกหัดไม่ปฏิบัติไม่ขัดเกลวไม่มีกิริยาไม่มีกิริยาที่จะไปชะไปล้างสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเมื่อเรามีสติกําหนดจดจ่อรู้ตามลักษณะของงานลักษณะของทางที่เรามาทํากันเหมือนอย่างที่พวกเราทำํำทำกันเนี่ยเราตั้งใจเภาวนาให้จิตสงบ พุโทโธพุโทโธให้อยู่กับอารมณ์มัเดียวเพื่อให้จิตสงบจิตสงบก็คือตัณหาสงบจิตไม่สงบก็คือตัณหาไม่สงบมันมีบทบาททุกระยะในหัวใจของเราเจ้าจอมของตัณหาเนี่ยมีบทบาททุกระยะในใจของเราจิตมีปัญญา จิตไม่มีปัญญาถูกอวิชชาครอบงำก็เจ้าตัณหานั่นแหละมันเป็นอวิชชามาครอบงำมาปิดมาบาังสติของเราทำให้เราเกิดโมหะคือความลุ่มหลงมาครอบงำปิดบังรัศมีของจิตทำให้จิตแผ่ความสว่างสวในตัวเองไม่ได้ไปรู้ให้รอบรู้ไม่ได้รู้สุดรู้ส่วนนั้นเหลือส่วนนี้รู้ส่วนนี้เหลือส่วนนั้นรู้ไม่รอบ อวิชชาคือรู้อวิชชารู้รู้ไม่รอบอวิชชาคือไม่มีความรู้แต่มันมีตัวรู้อยู่ในนั้นอยู่แต่มันรู้ไม่รอบเราดูมาที่ก้อนกลมๆเหมือนอย่างก้อนอะไรเหมือนก้อนฟุตบอลเหมือนกับดวงแก้วกลมๆเงี้ยพระอริยเจ้าที่ท่านฝึกฝนอบรมจนจิตของท่านสว่างหมดทั้งดวงแล้วไม่มีจุดด่างจุดดาตรงไหน ข้างบนข้างล่างข้างกลางตัวไหนโร่หมดนั่นะคือสติสมบูรณ์เต็มร้อยวพวกเราผู้ทุชนเราก็มีสติเหมือนกันแต่มีเป็นจุดเจุดนะ่ยมืดส่วนนั้นสว่างส่วนนี้สว่างส่วน น, วว น, นี้มืดส่วน น, นั้นนะสว่างสามด้านมืดอีกด้านหนึ่งสว่างข้างบนมืดข้างล่างสว่างข้างล่างมืดข้างบนสว่างซ้ายมืดขวามันสว่างไม่รอบสว่างไม่หมดมันฉลาดยังไม่รอบ ตราบใดที่เร า, เาตัวนี้ออกไม่ได้มันฉลาดยังไม่รอบมันจะรอบหรือไม่รอบก็ตามคอยเรารู้จักกับตัวนี้แล้วก็ตอก่อนกับมันเรื่อยๆเนืองๆกาลังของมันก็จะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยมันจะทําให้จิตคือผู้รู้ของเราเนี่ยเหมือนกับมีพลังช่วยพลังก็คือพลังธรรมเองพลังธรรมช่วยพยุงจิตของเราไม่ให้จิตของเราเนี่ยตกต่ําจิตของเรามันตกต่ำเพราะอะไร เพราะมีอันนี้แหละมาขี่คอมาทับถมทําให้จิตของเรานี้ตกต่ําไม่สามารถจะรู้รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีรู้บ้างรู้ครึ่งกลางกลางรู้ไม่หมดเหมือนอย่างที่ว่าสว่างไม่หมดนั่นแหละสว่างส่วนนั้นมืดสว่วนนี้สว่างส่วนนี้มืดส่วนนั้นอยู่อย่างนั้นแหละภายในจิตของเราเรามีสติอยู่หากมีได้เป็นการเป็นคราวตั้งอกตั้งใจระลึกตั้งอกตั้งใจตั้งสติเราก็พอ จะมีความระมัดระวังทำให้สติเกิดขึ้นได้มีได้แต่ถ้าเราปล่อยประละเลยด้วยแล้วมันเอาสติตันหามันแทรกเอาสติเอาจิตดวงนี่เราไปใช้ใช้เป็นงานของมันทั้งหมดตันหาเอาไปใช้เป็นงานของมันทั้งหมดในเมื่อตันหาเอาไปใช้เป็นงานของมันมันเป็นเรื่องของกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของตัหาทั้งหมดผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด วิธีการของพระพุทธเจ้าเป็นวิธีการที่ทวนกระแสกับสิ่งเหล่านั้นทำรรกรรมวิบากผลได้ได้เป็นเรื่องของธรรมทำทำคืออะไรสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมแล้วนั่งเจริญสมาธินั่นแหละเป็นธรรมในขณะที่เราทําไปเรื่อยๆนั้นเป็นกรรมกรรมก็คือกิริยาที่ทำํำผลรายได้ก็ต้องเป็นผลรายได้ของธรรม ทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากวิบากเป็นผลรายได้ของธรรมแต่ถ้าเราปล่อยโดยหลักธรรมชาติปล่อยตามบุญตามกรรมเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวัตฏ ว, วุลวัฏฏภาษาบาลีวนภาษาไทยวัตฏวุลคือมันกลมๆท่าเรียกว่าวัตฏวุลวัตฏวุลวัตฏจักรมันกลมๆถ้าเราขีดก็มันขีดเป็นวงกลม ขึ้นชื่อว่าวงกลมไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีจุดเริ่มต้นกลมๆนั่นแหะท่านชื่อเรียกว่าวัตถวนวัตถวณตัดตรงไหนวัตถวณเนี่ยตัดตรงไหนต้องตัดกิเลสตัดกิเลสเหมือนอย่างที่ว่ารรเนี่แหละในขณะที่เจริญธรรมนั่นะมันเป็นการตัดตัดกิเลสผลรายได้ก็เป็นเรื่องของธรรมถ้าเราไม่ตัดกิเลส เป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากอันนั้นคือวัฏฏวณของธรรมชาติของกิเลสกิเลสมันจะดำรงพงเผาพันธุ์เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราไม่หมดไม่จบไม่มีสิ้นสุดถ้ า, าเราไม่ตัดมันตัดคือทํำยังไงตัดมันเน่ยเหมือนเราเอามีดเอาอะไรมาตัดตัดเชือกตัดเครือตัดไม้ตัดอะไรอย่างงั้นเลยไม่ใช่คําว่าตัดในที่นี้หมายความว่าใช้สติ ใช้สมาธิใช้ปัญญากําหนดจดจอเหมือนกับของที่มันถูกปิดมืดอยู่นั่นแหะเราก็เพียงจะไปเปิดหงายขึ้นให้มันเห็นว่าโอ้ข้างในคืออะไรเป็นอะไรพอเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจสิ่งแล้วนั่นก็หายไปหายหน้าไปหมดนี่กิริยาการตัดในในภาคธรรมมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนเราถือมีดไปแล้วก็ไปสับสับสับสับสบันแบบไม่ใช่ ท่านจะว่าปลอยก็ใช่จะว่าวางก็ใช่ท่านจะว่าฆ่าก็ใช่ท่านจะว่าตัดก็ใช่ท่านจะว่ารู้ก็ใช่โดยกิริยาเข้ามาก็คือการเข้าไปรู้ทําผู้รู้ตัวนี้ให้สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยสติแล้วเข้าไปรู้ปั๊บกิเลสเราวน้ำกระเหิดไปหายไปจ่อปั๊บกระเหิดไปหายไป จอเรื่อยๆเหือเรื่อยๆจอเรื่อยๆเหือเรื่อยๆไม้ดุนนั้นน่ะถึงแม้จะเป็นไม้สดชุ่มโดยอย่างแช่อยู่ในน้ํายกขึ้นมาวางไว้บนบทยกขึ้นมาวางไว้บนบกยกขึ้นมาจากน้ํามาวางไว้บนบกเมื่อวานเราก็พูดอยู่แล้วว่าไม้แช่อยู่ในน้ําถ้ามาเทียบกับจิตของเราก็คือจิตของเราเนี่ยบริโภคกามแช่ ชุ่มแช่ด้วยกามแล้วเราก็บอกบริโภคกามเหมือนไม้สดชุ่มโดยอย่างแล้วเรายังเอาไปแช่ในน้ําอีกเราก็ดึงขึ้นมาบนบกมันก็ไม่แช่อยู่ในน้ำํำเราก็ทิ้งไว้ให้มันเหือดให้มันเหือดไปมันแห้งไปกิริยาที่เข้าไปทําให้จิตได้รับความสงบเนี่ยตันหาเหล่านั้นจะเยิ่มเริ่มหยุดตัวไม่แสดงกิริยาการ เพราะเรามีสติกำหนดจดจอ่อควบคุมอยู่แสดงกิริยาการไม่ได้ในภายในเราดูไปมันเป็นลักษณะการแผดเผาตำปะธรรมแผดเผาเพื่อที่จะทำให้จิตดวงนี้ซึ่งเปรียบเสมือนยางสดไม้สดยางสดเนะ่ะให้มันคยเ ร, เริ่มเหือดไปเหือดไปเหือดไป กามมะคุณทั้งหลายกามมารมทั้งหลายในหัวใจของเรามันเริ่มเหือดไปเหือดไปเหือดไปเหือดไปจนเป็นไม้แห้งจิตของเราเช่นเดียวกันพอเราสํารอกกามออกจิตของเราก็จะเริ่มแห้งจิตของเราเป็นสมาธิไม่ไปวาวุ่นกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องตัณหาราคะจิตไม่วาวุ่นแค่นั้นก็มีความสงบ เป็นคุณสมบัติขั้นหนึ่งระดับหนึ่งมีความสงบมีความสุขมีความเอิบอิ่มเกิดความรู้สึกโอ้จิตของเราเนี่ยอมแปรอึง้งตึ้งเต็มไปด้วยบุญอ่านี่แหละคือบุญบุญก็คือความดีอะไรดีะบุญบุญคือความดีอะไรดีต้องกายดีวาจาดีแล้วก็ใจดีรวมมาที่ใจต้องใจดีใจดีคือใจเป็นยังไง ใจมีศีลใจมีธรรมใจมีสมาธิธรรมใจมีปัญญาธรรมนี่คือใจมีคุณสมบัติคุณสมบัติของใจเรียกว่าความดีที่เรียกว่าเรียกว่าบุญปุญญังปุญญะปุ ญ, ญ่ังภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าอะไรแปลว่าความดีกายปกติกายดี วาจาปกติวาจาดีใจปกติเป็นใจดีใจมีบุญใจมีศีลใจมีธรรมสิ่งเหล่านะี้อยู่อยู่ดีๆเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราอยู่เฉยๆตามบุญตามกรรมมันมีตัวเร่งมาแล้วที่เราพูดติดปากมากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมมาวิบากเราต้องการจะให้ผลวิบาก ข, ของกิเลสลดน้อยถอยลงไปเราต้องตักกิเลส หรือเราต้องรู้กิเลสหรือเราต้องละกิเลสเราต้องวางกิเลสทางที่ถูกกิริยาที่ถูกก็คือรู้กิเลสรู้ที่เกิดของกิเลสรู้ที่ตั้งอยู่ของกิเลสรู้ที่ดับไปของกิเลสเมื่อเราเข้าไปรู้แล้วเหมือนกับเราไปงายาชนะที่ควาภาชนะอะไรก็ตามที่มันความอยู่ในป่าความอยู่ในที่ชุ่มเย็ยน ในนั้นมันจะมักจะมีอสรพิษอยู่เราไปงายขึ้นมาสมมติมีอสารพิษอะไรเกาะเต็มอยู่ในนั้นอ่ะพอถูกงายขึ้นมาปั๊บมันจะหลบหนีไปหมดแหละมันไม่อยู่หรอกมันจะอยู่เฉพาะตรงที่มืดเท่านั้นะตรงไหนที่มืดมืดอสรพิษมันชอบชอบไปอยู่จิตของเรามืดมืดจิตของเราโมหะจิตของเราอาวิชชาน่ะมันเป็นรวงเป็นรังของของกิเลส ของตันหาอันเดียวกันกิเลสตันหาอาสวะอวิชชาเนี่ยอันเดียวกันทั้งหมดความโลภความโกรธความหลงอันเดียวกันทั้งหมดมันเป็นกิริยาอาการที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเข้ามาบัญญัติเออส่วนนั้นเป็นนั้นส่วนนั้นเป็นงั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นเราจ่อมาที่ดวงเดียวดวงผู้รู้เนี่ยที่เราอมแปรอยู่เนี่ยจ่อเข้ามาเลยน้องจ่อเข้ามาจ่อเรื่อยๆจ่อบ่อยๆจ่อมันจนเหื่อหายอัตเตะ ตปะปาทำนและไม่จอมากกำหนดยอดจ่อเรื่องงานมันเผาเข้าไปจ้าเข้าไปเหือดให้มันเหือดให้มันแห้งสารพิษมันไม่กล้ายอยู่อวิชชาในหัวใจของเราเช่นเดียวกันเราตั้งใจทำอย่างนี้เราพยายามชำระอวิชชาตันหาอุปาทานในหัวใจของเราให้เหือดไปให้แห้งไป เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ธาตุรู้ของเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากธาตุที่มีอยู่ในโลกเป็นของเก่าที่มีอยู่ในโลกธาตุไม่รู้ของเรามาจากไหนมันก็มาจากโลกนี่แหละมาจากธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาประจวบเหมาะแล้วก็อยู่ด้วยกันมีรูปมีนามด้วยอํานาจกรรมเป็นก้อนเป็นแท่ง มีหัวมีแขนมีลำตัวมีขาเหมือนมนุษย์นี่แหละเหมือนเราเรานี่แหละเป็นมาได้ด้วยอำนาจของกรรมกรรมมันจัดสรรเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนี่คือมนุษย์มีเกิดขึ้นบนโลกเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้จากอวิชชาตันหาวปาทา น, นี่เองเกิดขึ้นมาได้อย่างนี้คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้นี่ลักษณะของมนุษย์ สมบูรณ์แบบแต่ถ้ามีเขาบนหัวเนี่ยอ้าวกลายเป็นเรื่องผิดลักษณะซะแล้วอ้าวเป็นมนุษย์ทําไมมีเขาเอ๊ะเป็นมนุษย์ทําไมมีหางเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์ซะแล้วมีเขาก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานมีหางเหมือนสัตว์เดรัจฉานอแต่ถ้าพฤติกรรมของเราทําไม่ดีเราอาจจะมีเขาบนหัวก็ได้ กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอาจจะมีหางข้างล่างอะไรกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเป็นคําเปรียบเทียบความเป็นสัตว์เดรัจฉานการความเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งๆที่เรารู้อยู่นี่เองเพราะฉะนั้นท่านว่าตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นตกนรกทั้งเป็นไปอาบายทั้งเป็นก็คือเป็นอย่างนี้ รูปร่างเราเป็นคนแต่กิริยาความประพฤติเราเป็นสัตว์เป็นสัตว์อบายไม่รู้บาบุญคุณโทษด่าพระเจ้าพระสงฆ์ด่าพระอริยเจ้าดา่าพ่อตีแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าอะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือวิญญาณวิญญาณของอบายของสัตว์ในอบายอบายมีอะไรบ้างมีสัตว์เดรัชฉาน เปรตมีสัตว์นรกสุรกายวิญญาณล่องลอยไปนี่คือสัตว์ในอับายคําว่าอับายปแปล ว, ว่าหาความเจริญไม่ได้ไปอยู่สเสวยกรรมหมดกรรมนั้นแล้วแล้วแต่กรรมอื่นจะส่งไปไปที่ไหนบางทีส่งมาเป็นมนุษย์บางทีก็สามารถส่งไปเป็นเทวดาได้เพราะคนเราทําทั้งบุญทําทั้งบาป ช่วงช่วงไหนที่มารับรับผลก่อนบามารับผมผลก่อนก็ไปเกิดสัตในอบายเนะี่ยช่วงไหนบุญมารับก่อนก็มารับบุญตราบใดที่วัฏสงสารเรายืดยาวไปไม่จบเราก็จะเป็นอยู่ด้วยอย่างนี้ไม่มีจบที่เราพูดอย่างนี้เราให้ความสําคัญของจิตของคนของเราเนี่ยเนื่องจากว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยทุกมาก เพรา ะ, ะรทุกเพราะเราเข้าใจผิดเรายึดผิดเราถือผิดสําคัญมั่นหมายผิดพระพุทธเจา้าท่านทรงอุบตัตมาท่านาวิชาความรู้ของท่านมาแจกแจงมาบอกมาสอนเพราะพวกเราเป็นปุจจุชนไม่รู้สัจธรรมไม่รู้จักสัจธรรมเพราะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังพระพุทธเจา้าท่านใช้คําว่าปุจจุชนไม่รู้สัจธรรมปุจจุชนปุจจุชน หลงอยู่ในโลกเพลินอยู่ในโลกหมกอยู่ในโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่จบพวกเราเนี่แหละหมกอยู่ในโลกหมกอยู่กับกองอะไรหมกอยู่กับกองการมคุณทั้งหลายทั้งปวงการมคุณเหล่านั้นเหมือนใบไม้เหมือนเหมือนก็เหมือนกองดินเหมือนกองทรายเหมือนขี้ตมเหมือนขี้โครนแล้วก็หมกอยู่นั่นแหละสบาย <laughs> เราฟังคําพูดของพระรเจ้าที่ท่านตรัสมาพวกเราคนแคล่วหมกอยู่ในโลกเลยเจ็บแสบไหมเจ็บแสบให้ใครเจ็บแสบให้พระองค์เหรอเจ็บแสบให้ที่ต้มขี่โคลนเจ็บแสบให้เจ้ากิเลสเจ้าตันหาที่ทําให้เราต้องเกิดมารับโทษรับทุกข์ในวัฏฏะสงสารเราพูดไปได้อะว่าใครทําให้เกิดพ่อแม่ทําให้เกิดหรือพ่อแม่ให้เฉพาะส่วนรูปมาเท่านั้นเอง ส่วนบุญส่วนกรรมเราหอบหิ้วเอาไปเองไปสวมรอยไปสวมเรือนร่างของท่านของแม่นปุ๊บเป็นกองสังขารอยู่ในท้องแม่นั่นได้มาจากพ่อจากแม่ประกอบกันแล้วเกิดในท้องแม่บุญกรรมเป็นของเราหอบหิ้วไปไปจับไปจองแล้วไปเจริญเติบโตพ่อแม่ทําให้เหลยใช่ส่วนหนึ่งพ่อแม่ให้ไอ้ส่วนหนึ่งบุญกรรมของเราเสริมสร้างมา เราอยู่ไปโทษใครเราต้องโทษเจตนาของเราเราตั้งใจทำบุญเราตั้งใจทาบาปทำบาปเนี่ยมันทําง่ายมันเพลินด้วยทำอะไรทำด้วยความฝ่าฝืนเนี่ยจิตใจของมนุษย์นี่ชอบชอบมากทำได้ตามชอบใจมนุษย์ทำอะไรได้ตามชอบใจเลยมีความสุขมากมีความเพลินมากแต่ความชอบใจเหล่านั้น เป็นคนเป็นอุบายเป็นมายาของตัณหาทั้งนั้นพึงระวังธรรมะรุ่งอรุณวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ให้พวกเราตัออต้อกตั้งใจไปเดินเดินเราก็ดูปฏิกายก็ได้ดูกายเดินพุทโธพุทโธแล้วก็ดูความรู้สึกกับิกายพุทโธพุทโธพุทโธใครเคยชนัดกับอะไรแล้วก็เอาอันนั้นมาทํา ยกน้อเหยียบน้อยยกน้อเหยียบนอยก้าวน้อเหยียบน้อแล้วก็ว่าไปแต่มันสับสนดูไปที่พุทโธพุทโธแล้วก็จอ่อดูไปที่กายให้ความรู้สึกให้ความรู้มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ในขณะที่เราทําจ่อต่อเนื่องไม่ทรงไปที่อื่นเราเดินเดินภาวนามันเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถไม่เดินได้ไหมแต่เรานั่งเก่งๆ เ, เราไม่ต้องเดินก็นได้ การที่เราเดินเรานั่งนั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอิริยาบถให้มันท่านจึงว่าอิริยาบถบางทุกเรามานอนอยู่ท่าเดียวเนี่ยนอนทีแรกสบายสบายคลิม้มลองนอนไม่ยอมพลิกยับไม่ยอมเปลี่ยนลองดูที่โอ้ยของฟืนของไฟแหละนั่งก็เหมือนกันนั่งทีแร ก, แรกสบายเพราะนั่งนานๆเข้า เริ่มเจ็บเริ ang, ่ find, Roma, sociedad, มปวดขึ้นมาแล้วปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดสะโพกปวดสารพัดเนี่ยโอ้ยเหมือนกับถูกไฟเผาหมดทั้งกองเนี่ยอิริยาบถปิดบังกองทุกข์ถ้าอยากเห็นทุกข์ต้องฝืนอิริยาบถท่านจิงให้เดินนานนั่งนานนั่งนานนั่งตั้งคืนน่ะลองดูที่เจอหรือไม่เจอ ไม่ต้องถึงนกชั่วโมงหนึ่งก็เจอแล้วเจอทุกเจอกองทุกนะ่ะเจอแล้วอย่าให้มันเป็นว่าเราทุกอย่าให้มันเป็นเราเวทนาให้เอาจิตเอาสติไปกำหนดจดจ่อรู้โอ้เวทนาก็สักเท่าเวทนาเนอะไม่ใช่เราเนอะไม่ใช่ของของเราเนอะแล้วก็ดูไปที่ความยึดติดของมัน ถ้ามันยังยึดติดอยู่ปากเราก็ว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไอ้ตัวยึดมันก็ยึดอยู่นั่นแหละปากก็ว่าไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เราเนาะไม่ใช่ของเรามันมาแา่ปากดูไปที่ความรู้สึกโอ้ไม่ใช่เรามันเบามันว่องเกิดความรู้สึกยับยับยับยับไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราตัณหาไม่เกิดอุปาฐานก็ไม่เกิดพพชาติมันก็ไม่เกิด คุณสมบัติที่เราพึ่งสร้างพึงทําให้เกิดขึ้นหนขึ้ น, นในึ่งหัวใจของเราเดินเข้าไปเดินมากเดินน้อยเท่าไรสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีตั้งอกตั้งใจให้ให้มันอยู่กับตัวเราทุกก้าวทุกก้าวย่างที่เราเดินไปนเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนาอย่าปล่อยอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไม่ทิ้งคําบริกรรมพุทโธตลอดพุทโธตลอดไม่ทิ้งคําบริกรรม นี่คือการทำงานในเมื่อเราทำทุกระยะทำต่อเนื่องทุกระยะขนาดนี้เราจะไม่ได้งานเราจะไม่มีผลงานเป็นไปไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจทำทาเหตุมากผลก็ต้องเกิดขึ้นตั้งใจทำเหตุน้อยผลก็เกิดขึ้นน้อยไม่ตั้งใจทำเหตุเลยผลอะไรจะจะมีไม่มีเปล่าเปล่าอ้าวหวัง